ไปหมาสามตัวน <including> ่อไปหมาจอบเป็ time, uh, ั้งไปตอนเห็นแล้วไปมันฟุ้งไปด้ไดหมอบเป็นหมอเนกัอยู่ที่มุดายตาพ่อเขาว่าเวลาไหนทำแล้วก้อนเต่าทเห็นไงไปทำงานเห็นได้ผมาจอบคนใหญ่ด้ยังไงไปเม้อมันมาจะมารุกทานน้มัยงอีก ผกิ้มได้เลยผมจะก็จิ้ตามจะมาจอดเลยในในถอดมเอาเรเล่นมาอดแนี่ยเรล่นี้ตเดวน่่่าี้เนี่ยผมจะมาจอดเสียมายลินตม่อกเราอดไปรับกัน้วจุนี้ก็เป็นมาอดันยไปไหนจอดถิมาเหนือแตจนาัก็จบเลยได้โดนมาจอด นั่นและนี <use your 34 use> ่ว yeah, ่าคำว่าถมด้วแตน้า่อย่างเราแต่มไม่ยุงกันทั้งพวกนี่ขาีก่ถามนะถามแต่สายข่านตัไม่ได้ต้องผมีขาน่คว่าถามน้องเนี่นะยังเป็นสองเผ่าหว่นเองนี่ยัายังยัังยัยังยั่ยังงยังยังยัังยังยัังยั นั่งหังไ้ด้หลาอย่หนนะักมูะขะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตตะะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมม a ตัมพุทธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมะพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมพุทธัสสะภะระะัทุธังระนัมข้ามิ ห่างกระนั่งข้ามมิห่างกระนังข้ามตังข้างกระนั่งข้ามิตั้งข้างกะนั่มิ พุทธิยังตีทุทธังกระนังคัชชามีพุทิยังตีพุทธังกระนังัามีพทิยัธมัสกระนังคัชชามทิธมังกระนังามีพุทิยังตีสังขังกระนังคัชชามิยังตีสังังกรณนังพัชาพุธิยัุทธังกระนังคัชชามีพุทิยังตีพุทธังกระังัามีทิยัธมัสกระนังคัชามีพทิมังกัาพยังสรัง น้ทางและนำนำมือจิตยังติั้งะวันเกิดนักเขามานิสิตังธรรมะเปนต้านาทิปตาวีระมณีสิ s ขาปัตังสมะทิามิต้านาทิปตาเตระมณีสิกขาปัตังสมะทิยามิติปนาคานาวระมณีสิกขาปัตถังามะทิยามิ c ้าพิพจน์ฐานเมณีศิขะตังสัมภียานิค้ามตติศิขจาริกะังสยาิเเมตติศิขะฐานาเวรามณีศิขะังสัมภียานิมุสาวาวิรักมณีศิขะอังสัมภียาิมสาวารามิขังัมยาิรมรยังมาาน ระเมเรจามตระมารคะนเวรมันมิคดิคาตังตะยานุมะนุปัญจศิษขาตังนุสีเลนะสุขติังติเลนะโังปทิสีเลนะมิสุติยังติสมาสยมิโตขะมิได้แต่มิเชตเดวอเดวมอัดเชิดอัดเชิดไ อ่กไม่ต้อะงไม่ได้ามไม่ต้องไม่นี้ นัทั้งหลายมาจากที่ตึงๆทีาศึกษาเป็นก้อนเป็นหน้าก้อนเป็นลาขึ้นขึ้นเป็นกุศมามะกะนักปีตุกุจ้าเป็นกาะหนงาะาะนทั้งหลายนะฟังการอกกลจากักพุทธศสนาเป็นข้าวเป็นขุ่ยเปน แล ะ, นนะแต่ง เ, เรื่องที่เกี่ยวก้องอันแรกจะธิบายนงเรื่องการรักษาคนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อเรื่องอื่นใดทั้ ง, งีตนเป็นสิ่งสาคัญคือความรักเราก็รักคนมักกว่าสิ่งอื่นนอกนนจากักคนแล้วเราไปรักสิืสต่ต่อไป <Okay. S 1> งานการรักษาคนเกี่ การรับความเหนกกดเพื่อความปลอดภัยที่ได้ยงเป็นสุ่งสคัญเือทางผูป้ปัตนาก็ตรงตรงไยิ่เป็นสิ่งสำคเื่อทางสาด้วยพวกตีนตู้ยางเมื่อมการาารักษาดิไม่ว่าจะเป็นทา่าเป็นห้าชนะท้ายซึ่งมือสัตว์มด้อบตางเมื่อการรักษาดิก็เป็นของดีง ถ้าหากว่าป ร, ราาศาศาึกษาการรักษาเสียของไม่ว่าสิา่งใดเรื่องเป็นของแน่ น, นาดเป็นที่บ้านที่เมืองที่เกิดเกิดทุ่มยึดที่ใดก็ตามถ้ามุ่งการรักษาดียึดตัวอย่างใกล้ใกล้เท่นรนาลงเงีนวัดนี้เป็ น, ปน ก, ก็ต้องเลรักษ า, า, า, า, าอยู่เป็นประจําเราอยู่ในสถานที่ใดเราท้ายสิ่งใดเราต้องรักษาอยู่นั้นต้องเลย เราพักผ้าเพื่อโล่งหองแ้วมีการพักพอกอเก็บรักษาได้ดีในท่านบ้านให้เรียนให้เพื่อนให้ผ่านจารหม้อใหนกันผ่าอะไรก็และวแต่เราต้องมีการเก็บการรักษาการฆ่าการล้างที่เป็นของมีถ้าว่าปับจาดการรักษาเสียเท่านั้นสิ่งนั้นก็ไม่คุ้มค่าและนก็จึงก็โยกซุดดึงแล้วไม่น่าดีเลยจะก็ตกโยกดึงดำ เป็นจีบกัดีเดียนนจนท่านมาสอนช่วยราพในพัฒน์ทา ร, รักษาเองเป็นของทยโบราณทีไม่ น, าน้าดหน้าเกียบทีรู้จักกยตัวอย่างสิ่งภายนอกมาเทียบกับเอของเราให้ทราบว่าการรักษาตัวของเราน่งจะสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสิ่อื่นใดบรดาที่อธิบายผ่านมาการราักษาตัวคือว่ารักษาให้เป็นธรรมปอดภัย ในความประพฤติทุกด้านของเราความประพฤตทางการทางวาจาควางที่ออกมาเป็นไทยสิ่ใดที่จะเป็นไทยจะไม่เป็นกระโดดนแก่ตนนอกจากไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วยังกลับเป็นทางผิวหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้อง ท, ทั่วไปด้วยจิงนั่นเรียกว่าเป็นไทยการรน้าาก็คือก า, ยารระมัดระวัง เราจะทําสิ่งใดไม่ทําด้วยความอยากเป็นผู้ถิ่นแรกหรเป็นผู้นําพาให้ทําเราจะพูดสิ่งใดออกมาไม่พูดด้วยความอยากไม่พูดด้วยความสมใจแต่พูดด้วยเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรการคิดสิ่งใดถ้าคิดเป็นไปด้วยความหยาดเย็นของเราและกุอื่นซึ่งจะเป็นเหตุระบายออกมาทางกายทางจารของเราสิ่งนั้นเป็นความผิดเรากอกว่าเสียในความคิเป็นนั้น พยายามพิจารสิ่งที่ดีที่ถึงประโยชน์พยายามพูดแต่สิ่งที่ไม่เคยประโยชน์รักเอาที่มีเหมีพยายามทำเพือท่จะถูกเหยียดตนแลกมีเรื่องวันรรามบบคนเราถ้ามีการนักฐานียไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดย่อมไม่มีความไม่ควีางผิดหวังเกิดขึ้นแต่จะเป็นสิ่มงคลแก่ตนทั้งไปอยู่แะ จะไปในฐานที่ใกลัมาก็เป็นปุ่มามก่อนนี่เลี้ยงแงาต่ผลว่าวันนี้เราได้รักษาลมคือรักษา ก, กายว่า ก, การของเราได้ทเนาะไม่มีอะไรผหาังในเกข้องวันนั้นเด็กแต่หน่เป็นกระจกนมนะคำว่าการรักษาลมเสีหามว่าเกี่ยวกับคู่อื่นอีเส้นข้มีสามม0อพันันดา ก็ต้องรักษาอีกต่อไปไปไหนมาไหนต้องทํายินถึงบ้านถึงเดื อ, อ, ถข อ, ขอนถึงครอบครัวถึงลูกข้าเราขอทุกคนถึงผู้กอทั้งหลายไม่ได้ไปเดือดร้อนเรื่อยๆไปตามหาผีผาสาของคนที่หลุดนาำอันยาไม่ามาตางกันเรื่อยๆผัับร้อาย้วยการไม่ันประารไม่ละก า, า, า ร, สาารสเสียงรยชที่เกิดของตนหรือความดับทางจิตเบื่อหน่ายตัณหาเป็นตมา ชุดละไปที่ไหนชุดละไปขึ้นให้ทํางินงบ้านนี่ท่รับสิมีงามของกบอันนี้เรียกว่าคนคนหน่กบเมื่อเป็นผ้นั่งผู้นั่นก็ใหย่ลดคุณค่าแต่ทาดีกันมาอันนี้จะกลับมาบ้านมาเรียนก็มาเป็นที่เลยมุสลิมคาประเด็นไทยเสี่ยวกบคู่ถ้าเป็นฝ่ายขับสามีทำกันมาในการในการทํงานน้ำก็ไม่ควงกันลูกข้าวเหล็กองมหา อกาดัง้ความรักษา็ลอดเทียอเข้าถังคมนั่เรียด้วยลองสอดกุ้งซนะุ่นซิจะเลือกไม่ดีแม่งามพี่อแม่เกาะพีนทำเป็นเหตุให้เดกดีองก้านักษาเราเรียนก็ไม่ ท, ทันเขาพราอแม่ในรักษาเยอ่เอะที่เสียหรือขัดที่ขนี่แหละที่การรักษาเป็นระเภตหนึ่งเพื่อให้เราหายดทราบว้าการรักษาคนกว้างกามากมาคนเราที่ คิดถึงตักผีวดีงามทังคนมีผิวทำเป็นเครื่องกระกอบเป็นเครื่องกระดับให้สวยงามอยู่แล้วใไปที่ไหนก็ย่อมเป็นคนดีเสมอไม่มีสิ่งใดที่จะสวยงามอย่างลึกซึ้งเหมือนกับผิวทําเป็นเครื่องกระดับกายมาแต่ใต่ผิดพลาดกับทิศตรงกับเครื่องกระดับอันนี้เป็นที่ยอมกันมาตั้งแต่สมัยใดๆเลยจะจาบันมันเปนรูปการผูกันไม่เคยล้าต่าง เป็นส e. ิ่งที่คงที่ดีงามเสมอแต่เครื่องกระดับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฐานพ้นไปได้คือสมัยนี้เขาไม่ยอมหังนี้ต่อไปสมัยนั้นก็ไมยอมหลังนั้นก็เปลี่ยนแกนรปเลือกเป็นเครื่องหลอกหูหลอกตาให้มีความฟุ้งเฟ้อหลุดลืมหนี้ลืมตัวลืมจิตลืมใจกลายเป็นคนใจแจสแต่ร่วไปก้มอย่างมากเพราะเครื่องระลวงอ่างเงาะมีเยอะเครื่องกระดับแบบนี้เป็นสิ่งที่เยอะหากว่าเราไม่คำหนึง กระเทียมก็ถึงทางมาเป็นเครื่องกระกอบด้วยแล้วยื่นเสียไปได้รวดอย่างรวดเร็วอย่ข้ออย่างยีดในสมัยปัจจุบันตั้งแต่ก่อนศกุฎาปัญญาเราเคยพาเป็นมาก็มีอย่างนี้คนก็มาพัตถุสิ่งของเครื่องยืดดวนทางกๆก็มีจำนวนมากมีอยู่ทุกแห่งทุกผลไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าเมืองใหญ่เมืนงเล็มีอยู่ตามเกาะตามเกาะตามเกาะเหมือนกระดกเข็จมีล้วนนี่ตั้งแต่เครื่องน่อหรือล่อตา บริสุทธ์สะกาติหมุาเห้นแต่ตามพุ่งเพื่อจะมีอยู่ดีดีเมื่อเป็นหน้านุษย์ตัวด้วยได้กว่าจะรู้สึกตัวออกเดมาก็ตาใสตาใสเงี่ที่เราบ้องดึตนคือคนยากตาตบเป็นเศษเป็นเศาอย่างนี้นี่หลักธรรมท่านสอนน้อยให้เราสงสายเนี่ยี่มาพิจารณาอย่าเป็นคนลืมต้เรื่องของโลกของเราตานั้เราคิดถึงแง่ ของผู้ขุดผู้ทาขึ้นมาผู้ที่ขุด um. so ที่ทำขึ้นมานั <Graduate> ma, ้นเขามีแต่แง่ที่โดยถ่ที่จะหารายได้มากมากวันหนึ่งนอกจากมีรายได้แล้วแล้วมันก็ต่างตเสียงกาเป็นคนที่ดกระดาสามารถติดถินันขึ้นมาติดถินี้ขึ้นมาเขาทำมาแล้วไม่ขาดเขามีรายได้าต็มไปหยิ่งผิดึ้นมาเป็นให้จับติดจับใจจับใจของคนมากเท่าไรเขาก็มีหวังที่จะกรอบโดยเอาเินมา ได้มากเท่านั้าหากว่าเรารู้คิดสิส่งเหล่านี้บ้างเราก็อาจจะคืนจากการเขาอุปมาเหมือนกันว่าเขาตกปลารรธรรมดาคนผู้ตกปลาต้องมีความอักจะมีเศษเล็กเฉยปลาไม่ตีเด็กต้องหาเหยื่อมารอดและจิตแล้ติดกลายเด็กตาโง่วงความคุกขับเข้าไปคือขารรดเป็นฐานโดยการโดยฐานเลยไม่มคํานึงถึงเด็กว่ามีอยู่ในจิตนั่นซึ่งจะเป็นภัยต่อตนหรือไม่ท่าเข้าไปทักเาไป พักไปเดียวติดแล้วหยดเด็ดแล้วแตกไม่ออกกว่าจะออกก็เข้าหม้อเสร็จอันนี้หมือนกันเช่นนั้นเหมือนกันเราิอาทฤษฎีมาเราศึกษาเราเรียนมาทุกเนื้อทุกคนบรรดาพึก้าที่เราเรียนมาเพื่อเป็นการรักษาตัวโดยตรงเราเป็นคนสะหาดในตามหลักพิษาและหลักวิาที่นำหลักวิชาที่ได้รับการศึกษามาั่นรอบ ไปรัษกษาผมกระพริบเป็นคนดีงามเป็นุลังงาีให้พุกเพราเกิดเผลอไม่ตื่นอาการมัยดีก็นไปโดยที่เแิดแฝดแี่มีสีธรามคือธรามดีงานความสม่ำเสมอความเรื่ อ, องตรงธรรมนี้จะมีผลข้อบคับตับใจเสมอ น, นี่จะเป็นผู้ปลอดภัยไป ท, ที่ไหนไม่เสียหายนอกจากเราเป็นผู้ปลอดภัยแล้วบ้านเมือง ต้องอาศัยเราคนหนซึ่งเป็นคนของประเทศชาตมากน้อนะครับเป็นผู้ช่วยพยุงให้จ่ายเงินลูกเรือนคนนั้นเห็นตัวอย่างอันดีคนนี้ห็นตัวอย่างอันดีพลังใจใครกลายเป็นบุคคลที่ดีึ้นเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเป็นฝ่ายผู้เสียคนนั้นก็เสียคนนี้ก็อยากคนนั้นคนใดจะเป็นเสียคนนี้แต่คนเสียทั้งโลกก็อยู่ไม่ได้เราคิดว่าโลกที่อยู่กันด้วยอความเป็นสุขขันแง่หนาไม่ใช่อยู่ด้วยความชั่วแต่อยู่ด้วยความดี หากวามีคนทั่วอยู่บ้างเขาก็อาศัยคนดีดิ้นเส้เขาทหารจบฐานลาักพาขโมโยก้นที่ที่หลังก็ตามนั่นั้นเรื่องของคนทั่วแต่่ะจะมีคนดีทําอย่างนั้นบ้างหรู้ว่าทําตามแบบที่คนชั่วไปเสียต้องแต่งยินด้วยเหรอโล ก, ก, กนี้จะเป็นไปไรหบบตั้งยินไม่ได้การที่โลกตัง้งยินได้ด้วยความเป็นศิษย์แผ่นดินหนาเพระาะต่อาษัยคนดีเป็นที่ดีคือความงามเหมือนกันคําว่า รู้ว่าบ้านของเรารู้ว่าราวหนึ่งมันขากกบลงไปแต่อีกสองรามันยังอยู่กบกอที่จากการอัตรายต่างๆ ท, ที่เ ก, กเกิดจากหัตั้งเกิดดับอะไรก็แล้วแต่ที่จะป้องกน ไ, ได้พอประมาณแต่ถ้าว่ารู้ว่าก็ตกขากไปเสียหมดบ้านนั้นก็กลับกระา จ, ะจายไปเรื่อยๆอะไรจะเข้ามาก็ได้ดอย่างาสะดวกสบา ย, บายนี่ก็เป็นมีความน่าหนันเหมือนกัน คนทั่วมีเจำนวนมากเท่าไหรก็ต า, ามแต่พูดที่ดียางคอยจับย้งเป็นหลักเป็นเกมนะบ้านอย่างน้นก็พออยู่ได้แต่ถ้าพักผิดตายเป็นค น, น, นทั่วไปก็ตาๆกันหมดโลกนี้ก็แปลกอีกแม่นาทนี่แหละโลกอยู่ได้นันท้องธรรมดีท้องมดีธรรมไม ด, ดีไม่ใช่อยู่คนชั่วเราได้อยู่ได้ต้องทำหาสุขเพรต้องอาศัยความดีของเราไม่ใช่จะมีตั้งแต่คนทั่ว โดยถ่ายเดียวมีอยภายในตายวัดอาตายของเราถ้าว่าคนทั้งคนก็มีแสรความทั่วที่ไหนก็มีแต่ความทั่วามเดืดรอนที่นั้นเราก็าดูไม่ได้เหมือนกันมีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ร้อนมากๆจะอยู่ได้ไหคนมื่อไหร่เขาตกตายอีกประการหนึ่งก็ออาจจะตัดสินในทางชื่อเอ็ดในคะเราโดยข้าไม่ใช่หรือว่าการตัดสิเนเ น, นี่ยฆ่าผู้ตายโดยพาเหตุผลหรือไม่โดยถือว่าการฆ่านั้นเป็นของหนึ่งสาหรับคนผูกหมดค่าหรือไ แต่ข้าตัวเองให้ตายแล้วก็ต้องเป็นคนชั่วยอยู่ข้างหังนนะตายันแล้วก็เป็นคนชั่วยจริงๆไม่มีอะไรเป็นทายมีนี่แหละเรื่องทางั่วมันให้โทษในปัจจุบันถ้าเราพาการพยายารักษาตัวให้ดีที่เป็นครูของเด็กด้วยแล้วก็เป็นแบบจินทั้งทันเขาเราต้องมีถึงเราเป็นผู้ใหญ่เสมอเช่นเดียวกับพ่อบ้านแม่เรือนงพ่อบ้านแม่เลี้ยเป็นทั้งทันทั้งรับเลี้ในบ้านแต่รับคนรับค น, ค, นคือแต่รับครอบตัว เมื่อต่างคนต่างที่เป็นข้อเป็นแม่ตามในรออม้รักการอบรมรักษาตัวด้วยดีมีสนบธรรมเนียมครอเครัมีคันดีงามไว้เปิดจำบ้านเสมอเด็กเึื่อนเป็นผู้ ม, มุงอยู่แล้ในการศึกษาทั้งหลักธรรมชาติและหลักาลการคำยงเส้นเข้าลงนั่เรีองนี้เต้นเด็กจะต้องพยายามศึกษาเสมอตั้งแต่วันรู้เรียนสาภาวามาเป็นลําดับหรือจะว่าเด็กทัการศึกษาโดยหลักธรรมชาติ อยู่พ่อแม่อยู่กับพ่อแม่รอบตัวพ่อแม่เ่าอะไรถ้าทํำไงเด็กจะต้องศึกษาอยู่ในหลักธรรมะโดยไม่ต้องบอกว่านี่คือโรงเรียนของเด็กก็ตามพอเด็กเริอมอ่มพัฒนาแล้วที่จะต้องศึกษาและวความจดความจทั้งเด็กดียิ่งกว่าผู้ใหญ่อะไรผ่านหูผ่านตามนาไม่ได้เด็กจะต้องจดจำอาหมดและนำไปทาหากว่าเป็นทางผิดเด็กคนนั้นก็กลายเป็นคนผิดคนหนึ่งผิดคนสองผิดผิดไปเรืย แบบกินที่มาดีสิดสิ่งไม่เดดออกมาเด็กก็ดิ้นออกเนื้อกายเป็นเด็กเสียหายบ้านนี้กขเสียหายบ้านนั้นเขเสียหายครอบตัวอะไรๆก็ถ้าแบบกินแบบที่ใช่ไม่นด้ที่แบบกินที่มาดีให้เด็กมัากระแทกลายเป็นเด็ดกรองไปหมดโลกอันนี้กลายเป็นเด็กฟองไปหมดพรอบผู้ปกครองกลายเป็นแบบกินที่ฟองแล้วโลกนี้ก็กายเป็นโลกที่ฟองแต่อาร์รสาระแตสามหาร์ความผู้อื่นนะครับมันจะนั้นหัวหน้าครอบตัวแต่ละครอบตัวนี่คือเป็นเรื่องทั้งฐาน ที่จะต้อพยายามปฏิบัติตัวปับปรุงตัวให้ดีเพื่อเป็นแบบบับแบบคุณีสุดท้าย้ายหลังก็ยังยึดถือมา่งมั่นของเราไปคิดอันดีถึงที่ดีไปใช้เมื่อต่างคนต่างไม่รับการอบรมได้ปับปุงตัวให้ดีอย่างลูกขอบตาคนตาเทาก็อแม่เป็นแบบฉบัก็กลาเป็นด็กดีโลกทั่วโลกก็มีแบบคนดีโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนดีต่างๆโลกก็จะเรีดนรู้เรียนรูเรียนรเรียน ตัวก็มีเลือดเลือดแทนอันดีๆประพฤติควรพ่อให้เด็กนูนได้เป็นตัวอย่างดีเด็กที่ออกมาจากครอบครัวแต่ละครอบคัวไปพเขาหุือาหารตรงต่างก็ต่างและที่รับการอบรมมาได้ดีจากครอบครัวทังตนของคนเด็กาั้งเด็กนูนน่าดูโรงเรียนตูก็เป็นตัวที่ดีประพฤติควรั่อให้เด็ก กูครครวเป็นตัวอย่างาโลกนี้เจรเนี่ยตารักษาตัวจนเกดให้บ้านเมือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงคนให่สุดมีความเจริญย่นเรืองป็นสุนหนาด้วยทำงานความดีเนี่ยจนบ้านที่สงบเยือวเย็นบ้านในเรือนใดที่หนักแนงในธรรมะครอบครัวไรที่รักหักแน่นในธรระรักางกตัญญูครอบครัวหรือบ้านเมืองที่สัจากหลักธรรมะ ามานั้นเป็นของเยน็นเมื่ อ, อยู่ในขัน้นผู้ใดผู้นั้นธรรดาเป็นของเยน็นเป็นตื้นเหยียดมีผลไม่ทำเอาตามทำอยากของตน้วยทะเยอเมื่อจะพูดตามเหยีผลแล้วหลักธรรมนั้นแลนนะตื้นเหยผลเดียดเด๋ยวจเกิดการกระทาดีผลไม่เกิดควาเป็นตุกให้ปรากฏขึ้นมาจากเหตุการกระทานั้นมีเรียก ว, ว่าธรรมธรรมะแปลว่าเครื่องครง คือตรงไว้ขึ้นผู้ปฏิบัติทำผู้ใดปฏิบัติดีแค่ไหนก็ต้องการเป็นคนดีแค่นั้นเช่นเราเป็นครราวาจ้าเวียนเป็นคนมนมีกระพริบถึงทำตามฐานะของเราที่จะเป็นหน้าฐานะปฏิบัติหน้าหน้าก็จะเป็นคนดีถ้าหากมีความยิ่งกว่านั้นไปก็จะเป็นคนดีที่ขึ้นไปเช่นพระท่านออกปปฏิบัติหี้หน้าที่ทํางานในทางพระโดยฉาดีท่านต่อปฏิบัติตัวได้ดี น้ำหนักผู้มีความเจตนามีความมุ่งหวังจะปฏิบ e like ัติตัวให้ดีขึ้นก็เป um ็นพระที่ดีขึ้นมาไปที่ไหนโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขให้อัดให้ทำเพราะตัวของตัวเป็นผู้ดีอยู่แล้วเมื่อแสดงอัดแสดงทำออกไปก็สื่อว่าจับจิตจับใจก็กลายเป็นการข่ายทอดทำดีให้กับคนอื่นไม่มีประมาณโลกไปรับธรรมร่มเย็นเป็นสุขจำนวนไม่น้อยในหลักการสร้างตนนี้เป็นสิ่งที่ทราบยากแต่ก็อยู่กับตนถ้าไม่อยู่ก็ไม่หาย พยายามสร้างตนเมื่อสร้างตนแล้วเราก็สร้างคนสร้างสร้างผู้ใจดีแล้วสร้างสร้างผู้ใหไม่มีสร้างพ่อพ่อแม่สร้างตัวไม่มีประพฤติตัวไม่ดีเด็กก็เหลวไหลครูที่สร้างตัวไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีเด็กนักเรียนก็เหลวไหลการเป็นของเหลวไหลแลี้ยวแต่ตะปันาหบกอย่างมี้ท้าหนักเราต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีมีหลักเกณฑ์อย่าเห็นแก่ความ อยากความพยายามให้ใหหสังเกตอ่านแต่ภาพสื่อเหตุผมว่าควรหรือไม่ควรเป็นเครื่องตังครับตั้งกลับจู่กับใจของเราคู่นั้นคือว่เาเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้สม่ําเสมอเนี่ยจะจนอยู่บ้านก็าตามแค่าตาต่างคนต่างกัวตัวดีแล้วก็ย่อมทำตุ้มเย็เช่นสามีภรรยาดูดีด้วยกันตาต่างคนตาค่างเป็นเปื้อนตายตาต่างคนต่างไม่ไเนื้อเชื่อใจกันได้ ทุกทานไม่ว่าการจ่ยกยทัศไม่ว่าการทัศไม่ ว, ว่าทางอารมณ์เครื่องเสริมไปทางคนต่างมีขอบเขตต่างคนต่างรู้จักรสมหวนซึ่งกันและกันต่างคนต่างเห็นใจกันด้วยแล้วตางคนก็ปฏิบัติตัวได้ดีคือไม่ต้องมายมาบังคับไม่มีที่แย้สนะีเราแต่ว่าทำเป็นเครื่องนักศาเพื่อ มากควรสิ่งในเราจะทํำในสิ่งนั้นเมื่อไม่ควรแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราจะไม่ม mm hmm. ทําเตียงท่องนี้ก็เชื่อเป็นการรักษาตัวเป็นการสร้างตัวให้ด mm ี hmm. ใครจะไปทางไหนถูกที่ใดก็ตามเมื่อตา่างคนตามเราเพื่อปฏิบัติตัวก็มีรานี้ mm hmm. ในระหว่างสามีภริยาพ่อเย็นด้วยกัน mm hmm. เรื่องไฟเผาโลกสําหนักคู่ทองนั้น mm hmm. ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอารมณ์ มีเราต้องภาพไว้หนคดขอนโรกไม่มีอารมณ์เป็นเหตุน้ำายานอื่นเป็นผลฟลอยได้ที่เป็นบริลาแต่หรับเลยของโลกเป็นปัญหาและแต่เรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่นเป็นสาวถ้าไม่ยักยั้งขัางตัวให้มากแล้วก็เกิดความรุนแรงในทางเสียหายได้เพราะอารมณ์เป็นต้นเราจึงควรจะรักษาควงใจหัวนควงใจกระตุกให้ใมากเราจะเป็นบุคคลที่สม่ำเสมอเรื่องความรัก นี่อยู่แค่กานทุกผลข้อเป็นสาเหตมาจากเพื่อของพิเศษคําถามอยู่ภายในกันแต่ให้เรามีขอบเขตให้ทํารักทั้งอาศัยอยู่อย่าให้ความรักนั้นเลยขอบเขตกินลวกกินนาวลึกตนลูกตรงออกไปแต่กลายเป็นคนแยกแนวหาตาข้ามราคาไม่ได้คือเป็นในลักษณะที่ขายก่อนซื้อ ผู้ใดที่ทํำตัวให้เป็นลักษณะขายก่อนซื้อเวลากระขายจิงจังไม่มีอาคาถ้ามีใครสนใจนีเราต้องระวังอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายเสียทั้งชื่อเสียงเสียทั้งดรยศเสียทั้งคงค์สมคุณด้วยเสียทั้งตัวของตัวด้วยเป็นคนที่ปลื้นตัวไม่ได้คนประเภทนี้ไปอยู่ในสถานที่ใดทั้งคมเขาลังเกลียยนอกจากทั้งคมสมัยปัจจุบันอาจารย์ไม่กล้าจะมาเกลียยในขณะหรือเกลี่ยเป็นินเก้าบระการฐานข้านมื แต่ผู้ที่ดียังมีอยู่เราต้องทราบเสมอว่าคนที่ทําชั้วจะไปทำในเอกานที่ใดต้เป็นคนชั่วในเอกสารที่นั้นให้จะนิยมว่าดีให้มีกอตามความขั่วนั้นต้องเป็นสิ่งที่กูนั้นทำและเป็นถึงสุดกูนั่นจะต้องไรับผลเห็นประจับปจัจจัยของตนนี่เป็นเรื่องสำคัญสายสามาีภรรยาก็ต้องรักษาไปตามกฎเกณฑ์ทั้งตน ตามหลักธรรมคในประดานในมหาวิในในในทยาลัยที่อุดรวันนั้นก็มีท่านผู้ถามปัญหาเหมือนกันว่าพระพุทธเจา้าท่านสอนให้คนมีทำนักน้อยสันโดษเมื่อตามคนต่างกระพุติตามหลักธําของพระเจ้าแม่หลักที่ว่านักน้อยสันโดษแล้วแล้วก็ตามคนต่างออบบวชไปเสียหมดและประเทศชาติต้านมองกะไม่ปลูกรังแกหรือไหวนก็ได ต่อในบรรดาข้างผู้นักศึกษาต่ายได้กล่าวว่าเรื่องความตายน้นอยสันโดษนั้นเป็นคมที่กว้างกงมากนันจะทําเพียงเล็กน้อยเป็นคมที่กว่างอว้งนั่นมีหลายแหนงที่ผู้จะนำประพฤตปฏิบัติได้ตามฐานะและเพศของคนเช่นถ้าท่านมีคมนักน้อยสันโดดในทางหนึ่งคือท่านนำประพฤตปฏิบัติสําหรับท่านอีกทางหนึ่งซึ่งออกหลักใจคือคมนักน้อยสันโดด ส่วนราว่าพวกมีอยูแง่หนึ่งที่ทอนําไปปฏิบัติแต่พ่อญาติคําว่ามันน้อยชันโดดที่จะให้เหมาะผลที่สุดกับคาราว่าที่จะนําไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับคนอย่างตองจๆนั่นก็คือความน้อยอารมณ์เหนี่ยสำคัญมากอารมณ์นี้แรละเป็นเครื่องเสริมไปแม่จะมีความรักคามเท่าความมิตรถนนความคับเท่าไรก็ตามไม่ว่าระหว่างคู่รักไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาถ้าว่าจะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความมากมากในอารมณ์เสียตรงนี้เน่ยคู่รักทั้งสองนั้นจะกลายเป็นคู่เวรขึ้นมาทันทีคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นคู่ซึ่นเป็นซึ้นทางก็้าเป็นคู่กอกรรมก่อเวรกอความแตกร้านขึ้นทันทีพระอารมณ์เป็นต้อเหตุอารมณ์นี้จะต้องเรียกอะอารมณ์ที่เป็นใจจะพังจะทามากๆเป็นจะทมาก เสียงฝนตกฟ้าลองเลยต้องหยุดเทศการบรรยายธรรมโดยคณะครูตำบลบ้านตาดซึ่งมีศึกษาดิการอำเภอเป็นประธานในวันที่16ตหกรกาคมพศสอ5 2นิณวัดป่าบ้านตาดเวลาประมาณ 13.30 บนบรรยายได้25นาที ก็พอดีมีอุปสรรคฝนตกหนักเลยต้องหยุดเทศโดยพระอาจารย์มหาบววยาณสัมัตโนคณะครูทั้งชายและหญิงรวมทั้งหมดประมาณห้าสิบคน